ก็ผมขอพูดกับชาวละนะันนาของผมนะไปพูดกับท่านนะก็ท่านรู้อยู่แล้วว่าการคิดเนี่ยมันอย่างเนี้มันสําคัญอย่างนี้นี่นะคิดไปถึงบรรลุมรรคผลก็ได้อ่ะคิดไปลงนรกก็ได้อ่ะตอนนี้เราคงไม่เลือกลอกไปคิดแล้วไปลงนรกอ่ะพี่ตกแบบนั้นอนะ่ะเราต้องคิดแบบนี้ที่จะเพื่อที่จะให้ให้อริยมรรคแปดเราสมบูรณ์เนี่ยนะถ้าหากว่าเราไม่มีข้อมูลเนี่ยเราคิดได้ไหมครับคุณวิราวัน ไม่มีทางเลยหรือมีข้อมูลอยู่นิดเดียวอะ่ะเราคิดได้ไหมไม่ไ ด, ไได้คิดไปจบแล้วนิดเดียวอะ่ะใช่ไหมจบใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวก น, น, นี้วันเสาร์นะตอนเช้ามาเรียนจะได้มีข้อมูลเอาไปคิดต่อมีข้อมูลเอาไ ป, ไปคิดไงงั้นจะมีอะไรไปคิดอ่ะสมมตมมอะไรคิดจริงๆถ้าเราเรียนแบบเอาไปคิดต่อนะกับเรียนแล้วมาเฉพาะฟังอาบุญในห้องก็จะต่างกันเยอะเลยอ่าสังเกตดูจากชีวิต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 นั่นแหละท่านแต่ก็ต้องเลือกเอาทั้งสองอย่างนั่นแหละกศึกษาทั้งสองอย่างเพราะบางอย่างนะบางสูตรเราอ่านไม่เข้าใจเลยไปนั่งแกะทุกคํานะเดี๋ยวก็เบื่อละมันก็ต้องอ่านให้ผ่านไปก่อนครั้งสองครั้งสาครั้งจึงจะเข้าใจนั่นแหละอ่านแะล้วต้องมาเรียงตามลำดับหัวข้อด้วยท่านกล่าวไว้ว่าการแก้ไขเรื่องอกุษรมิตกมีหข้อต้องมาไล่เพราะว่าท่านกล่าวซ้ำใช่ไหมต้องมาไล่ข้อหนึ่งตรงนี้นะข้อสองข้อสามคุสิโอ้โหต้อง ว่าจะครบห้านะมันค่อยๆเริ่มเข้าใจนะเ อ, อที่ผมอ่านนี่นะผมไม่เจอคําเดียวผมสะดุดเลยผมผมรู้สึกมันมันประทับใจเลยนะเพียง แ, แต่บอกว่าเรื่องอกุศลวิตตกเนี่ยนะมีโทษเทงนี้เองอะ่ะแล้วก็มีมีวิบากเป็นทุกมีวิบากเป็นทุกแค่คิดนะวิโตกนะมีวิบากเป็นทุกวิโตกนั้นมีเจตนาเกิดร่วมด้วยใช่ไหม เจตนาตัวนั้นเป็นตัวกรรมนะนี่โดยกรร ม, มปัจจัยแต่ตัวอกุศลทั้งหมดเนี่ยนะปกตูที่ไม่ดีลนะตัวมันเองเป็นตัวที่ไม่ดีมันเป็นไฟชนิดหนึ่งเหมือนกันนะราคาคินาโทสกินาโมหกินาไฟคือราคะไฟคือโทสักไฟคือโมหะแล้วในขณะเดียวกันนะมันเป็นอุปนิสัยให้ชวนะต่อๆไปโดยปกตูปนิสยะปัจจัย แล้วคนที่สะสมความคิดอันนี้บ่อยๆเข้าไปที่ไหนมันจะชำนาญในความคิดลักษณะนี้เป็นผู้ที่ชำนาญในความคิดแบบนั้นนะถ้าลองฝึกนสมมตินะไม่ไม่ได้แนะนำเพียงแต่ลองคิดดูนะลองฝึกบงแบงไปเรื่อยๆนะฝึกงี่เง่า ข, งขี้โกรธใครทาอะไรเนี่ยขัดหูขัดตาไปหมดเลยนะไม่เกินเจ็ดวันชำนานเรื่องนี้เลยนะ มองหาความเลวของคนเอาเถอะอนนู้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ตรงนั้นก็เลวเหลือทนตรงนั้นก็ไม่ดีนะตำหนิให้หมดเลยนะไม่เกินเจ็ดวันเสร็จแล้วจะอยู่กับใครนั้ไม่ได้เลยในโลกนี้บอกมีแต่คนเลวหมดเลยหาคนดีไม่ได้แม้แต่คนเดียวดีอยู่คนเดียวคือคนทิศนั <c oughs> ่นเลยเพราะฉะนั้นอาคุศลพวกนี้นะจึงมีโทษมากมายมหาศาลโดยอุปนิสัยปัจจัยแล้วในขณะเดียวกันนะ ตัวนี้มันยังไปเป็นปากกตูปานิสยะปัดใจกับคนอื่นๆด้วยนั่งอยู่ตรงนี้นะคนที่โกรธนั่งอยู่ตรงนี้ตรงเดียวแค่นั้นแหละนคนอื่นเนี่ยง้อยหมดเลยเวลาอยู่กับคนประเภทนี้นะครับต้องประโยคน์ค่าดีๆนะครับหมายความว่าหลีกได้หลีกเลยนะสูตรนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าคนบางคนนะหลีกเลี่ยงให้ไกลที่สุดคนบางคนวางเฉยแล้วก็หลีกห่าง คนบางคนแล้วก็เข้าไปเสร็จคือธรรมชาติมันแปลกอย่างนะเห็นคนอื่นเลวมันอยากเลวตามอะ่ะมันแปลกจริงๆนะครับใช่เห็นคนอื่นโกรธมันอยากโกรธเห็นคนอื่นมันโกรธมันอยากโกรธนะเห็นคนอื่นกํนาลังอร่อยมันอยากอร่อยก็เข้าด้วยอะ่ะมันแปลกไหมพราะในตรงนี้นะเราต้องศึกษากรรมมาส ก, กตาให้ชัดเจนที่สุดถ้าเราโกรธใครบาปใครมีโทษใครจะไปในรกไม่ต้องมีใครมาแช่งเรารอกทับ ปล่อยความคิดแบบนี้เกิดบ่อยๆนะและอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเรามีนึกถึงพระธรรมบ่อยๆนะว่าความโกรธอันนี้หรืออกุศลเหล่านี้เนี่ยหนึ่งเบียดเบียนตนนะว่าเราเนี่ยทุกแน่นอนสองเบียดเบียนผู้อื่นสามเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายและเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เป็นไปเพื่อความเสียหายแห่งปัญญาไม่ได้เป็นไปเพื่อพระนิพพานอะไร เป็นไปเพื่อตกต่าทั้งหมดเลยเพราะนั้นอาคุลนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าน่ารังเกียจโดยถ่ายเดียวเพราะนั้นอาคุสนี่พระองค์ไม่มีที่ไหนยกย่องอกุศลเลยมีข้อความในพิกุลีสูตรอังคุตรนิกาจตุกานิบาต ท, ที่กล่าวยกย่องกิเลสบางอย่างนิดหน่อยแต่ว่ามีน้อยมากเช่นอาศัยตันหาละตันหาอาศัยมานะละมาน ะ, ะตรงนี้แค่บอกว่า เอออาศัยตันหาละตันหาตันหานั้นมีโทษไหมมีให้ผลน้าเกิดไหมไม่ให้ผลนําเกิดควรจเจริญไหมควรจเจริญไม่ให้ผลน้าเกิดแต่ให้ผลไหมให้แต่ให้ในประวัติการถามว่าควรจเจริญไหมตันหาประเภทนีน้ควรจเจริญตันหาว่ายังไงอว้ยคนโน้นเขาได้เจโตวิมุตต์ได้ปัญญาวิมุตต์ได้เป็นพระอรหันเราต้องเอาอารหันให้ได้อ่านะเขาบอกไอ้ความคิดอย่างนี้ควรจเจริญถึงกับเป็นตันหาก็าควรจเจริญ น, น ะ, ะตรงนี้อารย์ถาท่านอธิบายอย่างนั้นในมโนรธาบุรณีอังคุตรนิกายจตุการนิบาตภิกคุณีสูตรน ะ, ะมากล่าวถึงปัญญาของพระผู้มีพระภาคต่อนะชะวนะปัญญาชาวนะปัญญาเมื่อวานกล่าวถึงว่าชาวนะปัญญาก็คือรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันมีในภายในมีในภายนอกอย่าละเอียดเลวหรือประนิด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 ไม่เที่ยงนะปัญญาเนี่ยแล่นไปเร็วโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานั่นแหละแล่นไปในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนะเพราะเราถนัดทวารไหนดีถ้าบอกวิญญาณมีหใช่ไหมวิญญาณหจากครูวิญญาณโสตวิญญาณคณะวิญญาณชิวหาวิญญาณและมโนวิญญาณสัญญาเท่าไหร่สัญญาห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 วิญญาณเรียกว่าจักรููวิญญาณภาษาเรียกจักรคูสัมผัสเวทนาเรียกว่าจักรคูสัมผัสชาวเวทนาสัญญาตรงนั้นเรียกว่ารู ป, ปรสัญญาเจตนาเรียกว่ารู ป, ปรสัญเจตนานะก็ที่เดียวนั่นแหละวิญญาณเหล่านี้นะจักรููวิญญาณเป็นอดีตั้ยก็คือจักรคูวิญญาณที่ผ่านไปแล้วเป็นอดีตจักรูวิญญาณข้างหน้าเป็นอนาคตกาลังเห็นเป็นปัจจุบัน เราเห็นอยู่คนเดียวใช่ไหมแสดงว่ามีภายนอกด้วยคนอื่นเขาก็เห็นเรืองราวนั่นแหละความภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประนิดคําคว่าหยาบละเอียดนี่เมื่อเทียบกับอย่างอื่นนะสมมุติถ้าจากักรคูวิญญาณที่เป็นอากุศลวิบากก็หยาบกว่าที่เป็นกุศลวิบากอันหยาบละเอียดต่างกันอ่าอกุศลวิบากใกล้ต่ออากุศลวิบากเห็นไะ อกุศลวิบากากับกุศลวิบากไกลกันยังไงแล้วก็เทียบเคียงทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งหยาบละเอียดเลวปณีตสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็คือมีแล้วก็หามไม่มีแล้วก็หมดไปแต่จักครูเราต้องไม่ลืมนะว่าจาักครูวิ ญ, ญญาณเกิดโดยประกา ร, รใดปัจจัยที่ทำให้เกิดจักครูวิ ญ, ญญาณคืออะไรบ้าง ถ้าหากว่าผู้ใดกล่าวบอกว่จาจักรคูวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนั่นแหละก็ท่านั่งดูชั่วโมงหนึ่งเหมมก็เกิดชั่วโมงเคยนั่งดูหนังไหมดูโหเป็นชั่วโมงชั่วโมงกระพริบตาไม่กี่ครั้งเองนะนก็ดอูอยู่อย่างจักรคูวิญญาณสืบเนื่องตลอดนะลองไฟดับดูสิโอโหเรื่องใหญ่เลยนั่นแหละเพราะนั้นพระองค์จึงไม่กล่าวว่าการที่เจรนา่นั้น เ, เดี๋ยวมันก็ดับเอง แต่พิจารณาเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยของจักรคูวิญญาณนั้นมากๆสช่ไมอย่างเมื่อกี้กล่าวถึงเรื่องวิตกพระองค์น่าจะบอกว่าโอ้วิตกุปาทาธีติพังคะดับไม่กล่าวนะแต่ว่าวิตกนั้นจะดับโดยการพิจารณาพิจารณาว่านะมีโทษเมื่อเราพิจารณาว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนวิตกนั้นก็ดับไปคือระงับไปพิจารณาว่าวิตกอันนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่น วิตกนี้ก็ระ ง, งับไปพิจารณาว่าวิตกนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายวิตกอันนั้นก็ระ ง, งับไปแสดงว่าระ ง, งับวิตกด้วยการพิจารณาพรฉะนั้นท่าบอกว่าจะละพวกนิวรณ์เป็นต้นละด้วยตทางข้าประหารละด้วยวิขำพระณะประหารท่านไม่ค่อยกล่าวว่าโอ้มันเกิดดับท่านไม่ค่อยกล่าวลักษณะ น, นี้ถ้าพูดถึงว่าจะพิจารณาจากกูวิญญาณ น, นี่นะครับสมมุติว่า ดูทีวีเนี่ยนะ<จ>นท่านอบอกว่ามันก็จกักรุนญามันก็เกิดดับนั่นแหละแต่ว่ามันสืบต่อกันในลักษณะที่เป็นสันตติใช่ไหมครับเจนพาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮ ะ, ะการที่จะมันท่นทานหมคับว่าระยะเวลาให้เราพิจารณานี่น ะ, ะหรือให้เป็นอารมณ์เราเนี่ยไม่ใช่ไอ้เกิดดับเกิดดับเกิดดับเล็กเล็กเล็กเ็เกนใช่ไหม<ร>ไม่ใช่ใชอุป า, าทิฏิพังค่ a ใช่ไหมครับ แต่ว่าถ้าอํานาจอะไรก็แล้วแต่ทําให้อารมณ์นั้นยังมีสืบต่อไปเรื่อยๆนี่เป็นอารมณ์ของการเจริญใช่ไหมครับเชิพ่อครับเพาะฉะนั้นถ้าในตรงนี้เราต้องสังเกตทั้งปัจจัยของจกักรคูวิญญาณนะถ้าจะเอาจริงในเรื่องของจกักรคูวิญญาณต้องเรื่องของสีทําไมเราต้องเห็นอย่างนี้บ่อยจิตเห็นจึงเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะสีนั้นมี แสดงว่าสีนั้นยังม <Z> ีอยู่ตลอดเวลาเลยยังมีอยู่ตลอดตาใดที่ปัจจัยเขายังทําให้เกิดปัจจัยของสีต่างหากนะถ้าปัจจัยของสีที่จะมีอยู่อย่างนี้พันปีก็ここอยู่อย่างนี้พันปีทีนี้ตาเราอะ่ะปัจจัยของตาปัจจัยของตาสมบู ร, รณ์ไหมอ่ะแล้วแสงสว่างพอไหมถ้าจะดู <K h. S 2> บางอย่างนี่ต้องอาศัยแสงสว่างถ้าดูไกลๆบางอย่างดูภาพบางอย่างต้องอาศัยแสงสว่างถ้าแสงสว่างมากชัดมากแสงสว่างน้อยชัดน้อย สังเกตดูเวลาไปเดินที่ที่เดินอ่ะนะที่เดินเท้าบูเตะก็กลายเป็นที่เดินออกกําลังกายไปด้วยอ่าสังเกตดูเอ๊ะกับพื้นปูนอยู่นั่นแหละวันไหนแดดจ้าจ้านะโอ้โหมองพื้นปูนเนี่ยแสงเนี่ยจ้าเลยบางทีนะสลัวสลวเนี่ยมันออกมากลางคืนนี่สลัวสลัวเลยเห็นชาติว่าอนุภาพของแสงสว่างนั้นมีมากมายมหาศาลที่อื่นๆก็จะเหมือนกัน อย่างในในห้องเราหรือที่ไหนก็ตามตรงนี้ก็เหมือนลองปิดไฟดูว่ะถ้าปิดไฟปุ๊บเนี่ยการเห็นจะไม่เกิดเลยการเห็นบางอย่างนะจะไม่เกิดเลยเพราะว่านี้ก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งของจากขูวิญญาณแม้แต่จากขูภาษาถ้าหากว่าตาได้รับอาหารไม่ดีเนี่ยอาหารและปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็อาจจะต้องหยุดดูต้องต้องต้องพักสายตาต้องรีบหลับตาจะไหมฮะ เราเห็นว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งสี้นเจน พ, นพรานพราะนตาก็เกิดด้วยปัจจัยสีก็ด้วยปัจจัยแสงสว่างก็ด้วยปัจจัยแล้วมนัสิการเนี่ยเป็นตัวสําคัญส่วนหนึ่งที่ทําให้จิตเห็นเกิดถ้าไม่มนัสิการนะคล้ายๆก็ว่าเออลืมตาเนี่ยนะใครเอามือยังไม่เห็นเลยใช่ไหมเอามือมาปัดข้างหน้ายังไม่เห็นเลยเอ๊ะหลับหรื อ, อยังน ร, รก็เหมือนบางคนเคยเห็นนะหลับลืมตา แปลกใจมันหลับได้ยังไงมันก็ลืมตายานั่นแต่ก็หลับนะกรนด้วยเอ่ะบางคนเนี่ยเป็นอย่างงั้นเลยลืมตาแป๊บนั่นแหละแต่หลับไปแล้วแต่ว่าจิตเห็นเนี่ยนะส่วนหนึ่งทําไมาคนจึงเห็นไม่เหมือนกันนั่นแหละกรรมแตกต่างกันนั่นมาจากกรรมที่แตกต่างกันการเห็นเหล่านี้เนี่ยนะถ้าไม่มีกรรมมกรคตาเข้ามาด้วยจะไม่เกิดประโยชน์นะ ความชัดเจนในเรื่องกรรมสกตามากมากขึ้นเพราะถ้าเข้าใจกรรมสกตามากขึ้นเ ร, เราจะไม่ปล่อยให้จิตที่คิดเรื่องนี้เนี่ยเป็นอกุศลวิตตกได้ง่ายๆเราจะไม่ปล่อยให้สภาพจิตเนี่ยเป็นอกุศลหม่อมจะเห็นโทษนี่ถ้าเราปล่อยให้ความคิดอันนี้เป็นอกุศลเนี่ยมีโทษไหมเมื่อมีโทษเนี่ยใครจะไปรับผลนะครับนี้ท่านทั้งหลายถ้าท่านกลัวต่อทุกข์ท่านจะได้ทําชั่วมา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 มโนทวารวิถีก็เป็นจิตที่รู้ตามจากักขูวิญญาณอีกนั่นแหละอันนั้นเป็นชาวนาอันนั้นเป็นชาวนาเราจะปล่อยตามยาถากรรมไหมความคิดเรานะมันจะไปตามยาถากรรมจริงๆนะกรรมไหนอ่ะอันนี้ เ, นเนนจนพรเพราะฉะนั้นอริยมรรคมีองค์แปดนะจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ที่ชาวนะนั่นแหละ ถ้าหากว่าผู้ที่เห็นคุณค่าปั๊บจะเห็นดันดีเลยว่าเสควรกำหนดรู้ควรพิจารณาจิตเห็นควรพิจารณาจักขูวัตถุควรพิจารณาเรื่องกรรมที่เป็นปัจจัยก็ควรพิจารณาแสงสว่างก็ควรพิจารณาจิตที่รับอารมณ์ต่อจากจักขูวิญญาณก็ควรพิจารณาหรือปริญญานั่นเองแต่กุศลจิตอ น, นั้นควรเจริญกุศลจิตขณะนั้นเนี่ยควรเจริญเพื่อมารอบรู้สิ่งเหล่านี้ ใช่ไหมสเสร็จแล้วกุศลลจิตอันนั้นเป็นโลิยมะตตั้งแต่การเพ่งลักษณะนี้บ่อยๆเป็นสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิก็จะเกิดขึ้นอย่างถึงกรรมและผลของกรรมเราจะไม่ปล่อยให้ความคิดเราไหลไปเรื่อยเฉยเลยเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของชีวิตของเราแต่ละขณะแต่ละขณะใช่หมสมมติถ้าเรานั่งรถโอ้ระยะทางหนึ่งหนึ่งร้อยกิโลเมตรเนี่ยโอ้นี่เราจะไม่ ปล่อยไอ้จิตเห็นให้ไปเห็นสเปสสปาปล่อยความคิดให้เห็นสเปสสปะเลยหรือนั่นพวงมาลัยลองหมุนสเปสสปะดูสินะความคิดนะมันมีโทษร้ายแรงกว่าปล่อยพวงมาลัยสเปสสปะอีกแต่สาตร์ทั้งหลายไม่คํานึงคือไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาระไม่ใช่สาระรู้อย่างนี้ขับรถไปกรุงเทพยังเปิดเทพสุนทรธรณ์ฟังเน่ะดูเทะขว่บนะ เรื่องกิเลสทุกคนอ่ะนะเนี่ยก็ฟังเทงท่านฟังนานๆก็เอจักฟังเพลงมั่งฟังเพลงมั่งอะไรเงี้ยนี่คือชีวิตจริงคือเรื่องั้อนี้ที่ท่านอาจารย์บรรยามันนี่นะถ้าท่านเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยนะท่านมองเห็นนะท่านมองเห็นทางที่จะพ้นทุกข์ได้แล้วนะแต่ทำได้ไม่ได้ไม่รู้นะแล้วท่านรู้แล้วนะว่าทางอย่างนี้ท่านต้องเตรียมตัวยังไงบ้างท่านต้องหาข้อมูลอะไรบ้าง จริงเท่านี้นะเท่านี้เนี่ยเนี่ยหัวใจของศาสนาเลยเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ตื่นตัวนะการพิจารณาน h i s เนี่ยทำมาที่ที่จะ ม, มาประทับใจคำหนึ่งก็คือตื่นตัวมากมันไม่ใช่เคลิ้มไม่ใช่หลับไหลไม่ใช่ไม่ใช่อย่างอื่นเลยนะเบอร์ก็ไม่ใช่ตื่นตัวมากเลยคือคือสังเกตดูนะอมันที่ผ่านมามันไปนั่งสับประงกมันเยอะอ่ะมันเอ๊มันพิจารณาอันนี้มันไม่ใช่อะ่ะ เป็นเรื่องของการตื่นตัวในการพินิษ์นะนิยก์ทวานตามาหูก็เหมือนกันจมูกลิ้นเทวานกายเหมือนกันมันต้องตื่นตัวมากในการตื่นตัวนั้นเรียกว่าชาคริยาโนุโยกนั่นแหละมันต้องตื่นตัวแล้วการตื่นตัวนั้นถ้าเราสามารถที่จะถ้ามันมันไม่ตื่นทําไงถ้ามันอยากหลับอะ่ะทําไงคือหมายความว่ามันเบื่อแล้วอมันสังเวชวัตถุต้องดึงเข้ามา เพิ่นเข้าใจเนี่ยสังไ อ, ไอชาคลิกานุโยเนี่ยแต่ก่อนเราคิดว่าไอแค่ ต, ตื่นตื่นลืมตางี้ใช่ไห ม, <c oughs> มไม่ใช่นะตื่นตื่นตัวที่จะพิจารณาใช่ไหมตื่นตัวที่จะพิจารณาในขณะนั้น <c oughs> แล้วก็ถ้าหากว่าท่านตื่นตัวนี่นะแล้วท่านพิจารณาเนี่ยโดยปริญญาเนี่ยนะโดยปัญญาเนี่ยยยาตัปริญญาก่อนแนละ้วมนเด็กท่านไม่เครียดเลยนะผมพูดได้เลยนะ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของมหากุสนยาณสัมปยุตนนในเมื่อมหากุสนยาณสัมปยุตนี่นะจิตท่านเป็นมหาคุศลเนี่ยรับรองได้เลยว่าจิตของท่านได้พักผร อ, อย่างเยี่ยมเลยอะ่ะก็อย่างดีเลยอะถ้าคิดลักษณะนี้บ่อยๆนะถ้าเราไม่ไม่ให้ความคิดหรือไม่ให้กุศลจิตประเภทนี้เกิดนะชีวิตของคนนั้นนี่น้อยที่สุดเลยอ่าบางองค์นะพระพระบางรูปเนี่ยนะความคิดเหล่านี้ไม่เกิด ท่านทุกขี่สุดในโลกอ่ะคือแม้แต่ธรรมดานะคนทั่วไปเขาบอกเออสนุกแต่ท่านเนี่ยทุกข์ละเครียดถ้าความคิดนี้ไม่เกิดเนี่ยทุกข์เขาบอกว่าถ้าปฏิบัติถูกทางระดับหนึ่งนะถ้ากุศลไม่เกิดอยู่เป็นทุกข์ถ้าปฏิบัติผิดอยู่เฉยๆสนุกนะมันเป็นอย่างนั้นมันมันจะต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บนะถ้ามันไม่ตื่นตัวสังเวเขชวัตถุต้องเกิดนะ อบายพ้นหรื อ, อยังพระสมัยก่อนท่านบอกกันเอ้ยอบายสีเนี่ยก็เหมือนบ้านเราอะนะงั้นถ้าหากว่าเราเดินทางตรงนี้ไม่พ้นกลับบ้านเก่าแน่นั่นะผมตังจใกว่าผมจะต้องเอาเทปไปให้ใครต่ใครที่รักๆ ก, กันฟังนะฮะท่านพูดให้สมบูรณ์เลยครับสังเวควัตถุแต่เนี่ยท่านท่านพูดไปในนั้นเลยจะได้เขายัางนึกขึ้นได้ครับนั่นแหละก็คือพิจารณาถึงอบายสีนรกเนี่ยพ้นหรือ ย, ยงังใช่ไหม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 ไก่มีอยู่กี่ฟาร์มอย่างเงี้ยปลามีอยู่กี่ตัวในน้ําแต่ละแห่งแต่ละแห่งไก่มีอยู่กี่ฟาร์มเราเปอร์เซนต์เหล่านั้นมีหมดชาวชนบทประเภทลัทธิมิจฉาทิฏฐิต่างๆเหล่านั้นเราก็ยังไม่พ้นจากสภาพเหล่านั้นเลยอั้นอบายสีนะเป็นเป็นทุกที่ที่เรายังไม่พน้นแล้ววัตถุทุกในอดีต่ะ นะสังสารวัตที่เวียนไหวตายเกิดเนี่ยกระดูกของเราแค่กลับเดียวก็มากกว่าภูเขาเวปุระวันพศน้ำตาในสังสารวัตก็มากกว่าน้ําในมหาสมุทรน้ํานมของแม่ที่ดื่มกินเข้าไปนี่ก็มากมายมหาศาลนละ้วเลือดเลือดของเราเนี่ยนะที่สูญเสียไปนะในภพชาติต่างๆเกิดเป็นสุกรเกิดเป็นโคเป็นกระบือต่างๆทุกเขาข่าเขาทิ่มเขาแทงเนี่ย เลือดมากกว่าน้ําทะเลมาหาสมุทรอีกนะวัตทุกในอดีตเนี่ยมันทุกข์ขนาดนะที่ผ่านมานะยะว่าชาติอดีตเลยชาตินี้เถอะลองไล่นั่งนึกหาความสุขดูสิตรงไหนที่เราสุขที่สุดไอ้ที่เหลือก็คือทุกข์บริสุทธิ์เลยนั่นแหละเหลือแต่ความทุกข์ล้วนๆเลยแล้วความทุกข์อันนี้ข้างหน้าวันต่อๆไปของเราอะไรมีอีกบัง่งวันต่อๆไปจากนี้ไปอีกวันตายเราจะทุกข์อะไรอีกบัง่ง แล้วถ้ายังยังมีวะตะอยู่อย่างนี้ชาติหน้าเกิดเป็นอะไรถ้าลองไปเกิดเป็นกรรมกรดูแบกข้าวสารวันละพันวันละร้อยกระสอบดูนะแล้วต้องแบกอย่างนี้เป็นหลายหลาสิบปีคุณต้องแบกข้าวสารกี่กระสอบสมมติวันละร้อยลูกลูกละร้อยกิโลกรัมนะก็คูณคูณร้อยเข้าไปเท่าไหร่ทำอย่างนี้สิบปีจะแบกกี่ตัน แบกมากมายมหาศาลถ้าหากว่าเป็นกรรมกรหน้าโม่ปูนโม่ปูนวันนัละลายสิบลูกอะ่ะตักหินตักไฟอยู่นั่นแหละออันนี้ทํามาหลายปานแล้วนะชาติเป็นไ ง, ไงครับชาติเป็นทุกข์ไหมครับโอ้โหมันไม่ส น, นุกเลยนะไม่เลยชลาเป็นไงครับถามผมจ <c oughs> ีิงั้ น, น, น <c oughs> เลยพยาธิอะ่ะเราถามดูดีถามโรคภัยไข้เจ็บแต่ละอย่างนะไล่เลยจากโคโรโครโซตะโรโครคานะโรโครกันะโรโคะ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 กับข้าวเพื่อจะทานมื้อหนึ่งนะหั่นผักไปกี่นาทีนะกว่าจะหัน่นกว่าจะประกอบกว่าจะอะไรเสร็จเนี่ยนะเอามาเน้นึกชมพวกแม่ครัวเนะี่ยขยันจริงๆทำใ น, น, น, น, นเรานี่ฉันยังยังเบื่อเลยอาจจะว่าบอกตรงๆเลยฉันยังขี้เกียจเลยนะคือหมคาคําว่ามันซ้ํำซากมันไม่เลิกไม่ละไอ้ของเขาเนี่ยโอ้ชาวเดี๋ยวก็ผัดปั๊บปั บ, ปบดังม่งแมงม่งแม่งอย่างลวเดี๋ยวกว่าจะทานเสร็จเก็บล้างอ่าหมดเลยละจะเที่ยงอีกแล้วเอาไหมกปบ่งแม่งบ่งแม่งกว่าจะเก็บก็เก็บ ความล้างเย็นอกีกบางคนมีพิเศษอีกผิดเวลาอโอ้โหวันหนึ่งกี่รอบสี่ห้ารอบเข้าไปอาทิตย์หนึ่งกี่ครั้งอะ่ะคูณเข้าไปดิใช่ไหมเดือนหนึ่งกี่ครั้งอะ่ะปีหนึ่งกี่ครั้งอะ่ะแล้วสิบปีมันกี่ครั้งแล้วทั้งชาติอะ่ะแล้วถามว่าในขณะที่ทํานั้นๆเนี่ยมีจิตด้วยไหมจิตเป็นกุศลหรืออกุศลนั่นนะ่ะอ่าใช่ไหม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 แล้วอดีตชาติที่เคยประกอบอาหารที่เป็นไปด้วยอักุศลแบบนี้ยบาปประเภทนั้นจะเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนแล้วข้างหน้าต่อไปที่เราจะต้องทําด้วยจิตแบบนี้แบบนี้อีกเนี่ยในภพต่อๆไปอีกเนี่ยความคิดลักษณะนี้จะเกิดยังไหนแล้วจะเห็นว่าสัตว์ในอบายมีมากจริงๆทําไมสัตว์ในอบายจึงมากเพราะเกิดจากการสะสมโมหะเกิดจากการสะสมอวิชชาที่ไม่พอกพูนสติปัญญาในขณะนั้นๆที่เราโครจรไป นะชีวิตของเราที่ยืนเดินนั่งนอนโดยการที่ปล่อยจิตไม่ให้เป็นกุศลหรือไม่เจริญกุศลในขณะนั้นๆปล่อยจิตแต่ละขณะแต่ละขณะผ่านไปด้วยความบันเทิงนะพระองค์จึงบอกว่าจะมัวเรื่นเริงบันเทิงอะไรกันอยู่หนอ <c oughs> เมื่อโลกอันไฟลุกโผลงอยู่เป็นนิดนะความมืดเนี่ยปกคลุมอยู่ทาไมไม่สแสวงหาปฐพีนะอะวิชชานี่มันห่อหุ้มอยู่ตลอดเวลาถ้าเมื่อก่อนนะ เมื่อก่อนไม่เคยสังเวทใจเลยนะทีนี้มาพิจารณาเรื่องทางตาเนี่ยพอสมควรเออตานึกถึงพระสูตรเลยนะตาสีจกักรวิญญาณประชุมสามอย่างเป็นภาษเพร่อภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาเจตตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานพบเจตนาที่เกิดในชาวนะนั่นแหละเรียกว่าพบทีนี้วั น, ว, นวันหนึ่งเนี่ยนะเราสร้างพบนั้นอัดนะเท่าไหร่ในทางตาเนี่ย เพราะวันวนหนึ่งตั้งแต่เช้าจนหลับอ่ะใช้ตาเกือบตลอดเลยสภาพเจตนาที่เป็นไปทางตาเนี่ยมากมายมหาศาลเอาแล้วเจตนาเหล่านี้เนี่ยอ่ะนะเป็นกุศลหรืออกุศลก็คิดนั่นเป็นสังขารหรือเป็นภพต่อไปแล้วทีนี้อีกในขณะเดียวกันเนี่ยตาสีจิตเห็นจกักรูวิญญาณจากักรูสัมผัสเวทนาเป็นต้นเนี่ยเป็นสัจจะข้อไหนทุกข์สัจทุกข์สัจอวิชาคืออะไร ความไม่รู้ในทุกขัสัตคือไม่รู้ในสมุทยัทยสัต์อันนะแล้วถามว่าวันวันหนึ่งเราเคยเห็นสัจจะเหล่านี้ไหมถ้าไม่เห็นที่เหลืออวิชชาหมดเลยโอหมันสะสรมาวิชานี่มากมายขนาดไหนโอ้โหสังเวชใจเลยนะมองเห็นโอ้โหอวิชชาเรามากขนาดนี้เลยเหรอเมื่อก่อนเราก็นึกโอ้อะไรก็รู้หมดนะใครจะพูดเรื่องอะไรเราก็พอเนื่องออกนะกิเลสมันได้ช่องเลยนะทีนี้พอมามาค่อยคิดอย่างงี้เข้าเอ๊ะ นี่ถ้ามองเห็นนาฬิกาปั๊บนะถ้าไม่พิจารณาเรื่องนี้อวิชช า, าไปกินอีกแล้วถ้าจิตไม่เป็นไปกับกุศลที่เหลืออวิชชาตลอดเลยอวิชชาเนี่ยเป็นไปทางตาเนี่ยมากแล้วหูเราต้องได้ยินเนี่ยทั้งวันเลยถ้าไม่เพ่งเรื่องราวเหล่านี้อวิชชาไปอีกแล้วหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยโอ๊ยหอมใช้สบู่หมักลิดหอมนี่แล้วกันลืมปัจจเวกลืมพิจารณาเป็นธาตุเป็นอะไรอีกแล้วเลยอวิชชา โอ้กลิ่นนี่ดีตันหาเกิดขึ้นก่อพบใหม่